ไหว้พระก่อนนอนนี่สอนให้บรรดาลูกหลานมีหลักใจโดยอาศัยหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเป็นธรรมอบอุ่นใจเวลาก่อนนอนอย่างน้อยให้ไหว้พระอิติปิโสสวาขาโตหรืออรหัง สว่าขาโตสุปฏิปันโนแล้วเวลาจะนอนให้ระลึกถึงคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้เป็นพลังของจิตเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นเรานั่งภาวนาอย่างน้อยได้สักห้านาทีให้นั่งนึกอยู่กับพุโทโธพุโทโธทีนี้เวลานอนลงไปก็ให้นึกพุโทโธพุโทโธ จนกระทั่งหลับนี่จิตใจเราก็แช่มชื่นเบิกบานหลับฝันไปก็ไม่ฝันร้ายฝันน่ากลัวตา่างๆจิตใจมีพลังคุณธรรมนำความรู้ ศีลธรรมและความประพฤติของผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่เราจะเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ต้องพยายามผวนขวายเข้าประดับตนให้มากท่านให้เหตุผลว่าเราจะมีแต่วิชาวความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีธรรมเข้าแทรกเสมอด้วยการพินิษพิจารณา ใคร่ครวญว่าผิดหรือถูกประการใดในการคิดการพูดและการกระทําของตนเองเปรียบเสมือนรถมีเบรกห้ามล้อคือมีทานั่นเองโทษของการศึกษาเพียงอย่างเดียวโดยไม่หมั่นฝึกฝนอบรมใจให้เจริญขึ้นมีโทษ ด, ดังนี้เรียนมาเท่าไหร่ ก็เป็นเครื่องมือของความชั่วช้าลามกไปเสียทั้งสิ้นทั้งสิ้นเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีทำแล้วยังไงโลกนี้จะพินาศฉิบหายจริงๆขอให้ลูกหลานทั้งหลายจำเอาไว้คํานี้อย่าได้ลืมฝังให้ลึกด้วยเพียงความรู้ทางโลกที่เรียนมาความรู้อันนี้มันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสตัณหา ให้เอาไปใช้ได้อย่างคล่องตัวคล่องตัวผู้ที่ล่มจมก็คือเราเราผู้เรียนมานั้นแหละมันพาให้โลภให้โกรธให้หลงพาให้ส่งเสริมราคะตัณหามากขึ้นมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟทั้งสิ้นท่านเล่าว่าบางคนมาคุยโวโอ้อวดลืมตัวว่าตัวเก่งทางนั้นเด่นทางนี้ มีหลายครั้งที่ท่านเมตตาตักเตือนให้เป็นคติเครื่องเตือนใจว่าเขามาพูดเรื่องว่าจบด้านนั้นเด่นทางนี้เด่นทางไหนทางไหนใช้วิชาวความรู้เด่นทางความชั่วช้าลามกเด่นทางความลืมเนื้อลืมตัวเด่นทางมีสิบเมียยี่สิบผัวใช้ความรู้ความสามารถเด่นทางนักเลงโต เดินทางนักเลงสุราทางโกโรโกโซเดินทางทำลายชาติเรียนมาเท่าไหร่มาโก้มาอวดหน้าร้านอยู่เฉยๆตัวล่มจมล่มจมประพฤติเลวแหลกแวกแนวความรู้สูงเท่าไหร่ยิ่งหยิ่งยิ่งจองหองทองตัวแล้วทำลายชาติทำลายตัวเองไปในตัวใครอยาอวดว่าใครเรียนเก่ง มีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้เรียนมาให้เป็นเครื่องประดับโลกประดับสงสารประดับบ้านประดับเมืองให้เป็นสารณ ะ, ะแก่นสารแก่ชาติไทยของเราสมความรู้ที่เรียนมามากน้อยมันถึงถูก ว่าจบการศึกษาก็อย่าเลิกราการศีลการทรร ม, ม, มแม้จะประสบความสำเร็จทางการศึกษาขั้นสูงเพียงใดก็าตามเช่นจบปริญญาเอกหรือด็อกเตอร์ธรรม ก็ต้องมีความจําเป็นสําหรับผู้นั้นยิ่งขึ้นไปอีกท่านเคยอธิบายเหตุผลย้ำอย่างเด็ดว่าด็อเตอร์มีแต่ความรู้วิชาเอามาอวดโลกกันเฉยๆแต่เจ้าของทำความล่มจมแก่โลกด็อเตอร์นี้ใช้ไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะฟังสิ เราพูดนี้เสียหายไปตรงไหนมันมีอย่างนั้นได้หนี่พูดตามความมีความเป็นแล้วแก้ไขความเป็นอย่างนี้ด้วยการสั่งสอนอย่างนี้เขาไม่เป็นด็อกเตอร์เขาครองตัวดีเขาประพฤติตัวดีนั่นเป็นคนดีนะไม่ได้สำเร็จความดีด้วยด็อกเตอร์แต่ไม่มีธรรมภายในใจนะ ด็อกเตอร์มีธรรมในใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ก็ดีถ้าเป็นด็อกเตอร์ก็ยิ่งดีนั่นแหละยิ่งเป็นผู้สง่างามในปวงชนนะเรียนมาความรู้สูงมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์ที่ดีของโลกด็อกเตอร์ประเภทนี้เป็นด็อกเตอร์ที่ร่มเย็นให้ความชุ่มเย็นแก่โลก สมชื่อสมนามว่าเป็นด็อกเตอร์มีความรู้ชั้นสูงความประพฤติปฏิบัติดีงามทุกสิ่งทุกอย่างสูงไปตำตามกันกับความรู้ที่เรียนมานี้เรียกว่าด็อกเตอร์ระดับชาติถ้าอยู่ในชาติไทยของเราก็ระดับชาติไทยของเราประดับสังคมประดับทุกแง่ทุกมุม ท่านจึงเปรียบด็อกเตอร์เป็นสองประเภทคือด็อกเตอร์เพื่อทำลายชาติบ้านเมืองหนึ่งและด็อกเตอร์ที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและชาติหนึ่งท่านกล่าวถึงประเภททำลายชาติก่อนดังนี้ไม่มีคำว่าอ่อนข้อในเรื่องความชั่วช้าลามกในเรื่องความลืมเนื้อลืมตัว ไม่มีใครเกินด็อกเตอร์เหล่านี้เพราะเรียนวิชาความลืมตัวมาตลอดตลอดเพราะกิเลสคือความทำคนให้ลืมตัวนี่นะถ้ามีทาแทรกเข้าไปจะเป็นเหมือนมีสติมีเครื่องยับยั้งมีเบรกห้ามล้อจะรู้เนื้อรู้ตัวผิดถูกชั่วดีประการใดแล้วเอาความรู้นี้ พาดำเนินไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยด็กเตอร์ที่มีธรรมเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกได้มากที่สุดไม่มีใครเกินผู้ที่มีความรู้มากแหละและมีธรรมในใจผู้นี้แหละเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกมากที่สุดตั้งรากฐานบ้านเมืองได้ก็คือผู้นี้นำชาติบ้านเมือง ให้ขึ้นจากความล่มจมได้ทุกประเภทก็คือผู้นี้คำสอนของท่านดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้ประจักษ์ว่าการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกลางตลอดจนถึงระดับสูงสุดก็ตามความจำเป็น แห่งการฝึกฝนอบรมจิตใจให้พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นตามกันผู้ที่ตระหนักและเห็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องดังกล่าวชัดแจ้งจึงย่อมมีความเคารพบูชาและเทิดทูนในท่านผู้รู้ผู้สอนและ ผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างที่ได้สอนผู้อื่นและเห็นผลแห่งการปฏิบัติจนสามารถเป็นสักขีพยานยืนยันถึงสาระคุณแห่งธรรมได้อย่างถึงใจด้วยเหตุนี้เองท่านผู้มีธรรม แม้ท่านจะมีความรู้วิชาทางโลกสูงล้นฟ้าเพียงใดก็าตามท่านย่อมไม่ประมาทธรรมและไม่ประมาทผู้ประพฤติธรรมแต่กลับให้ความเคารพและถือท่านเป็นสรณะที่พึ่งที่ควรเข้าปรึกษาปรารถเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นและย่อมไม่ลืมตัวเผลอไผล ยกเอาวิชาความรู้แบบโลกของตนเข้าคมท่านผู้รู้ในธรรมะปฏิบัติผู้ขจัดอาสวะกิเลสให้สิ้นจากใจได้เพราะวิชาความรู้แบบโลกนั้นจะสูงต่ำล้ำลึกเพียงใดก็เป็นเพียงความรู้ของนักโทษในเรือนจำท่านเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ ใจเจ้าของแน่นอนไหมเวลานี้ตั้งแต่มหาเศรษฐีกุลุมพีสูงสุดมาคนที่มีกิเลสครอบงำนี้เป็นความรู้ความเห็นความเป็นอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสครอบงําหัวใจทั้งนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในวงของกิเลสเป็นความรู้ของผู้อยู่ใต้อํานาจของกิเลส จะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบงำอยู่นั่นแลเป็นความรู้ของนักโทษเรือนจำคือวัฏจักวัฏจักนี้เหมือนเรือนจำครอบความรู้อันนิัวกิเลสเป็นผู้บงการทุกอย่างทุกอย่างมันวิเศษที่ไหนความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความรู้แบบนี้นี่นะเหนืออันนี้หมดแล้ว ดูหัวใจเจ้าของนั่นเวลามาเกิดมันก็ไม่รู้สถานที่เกิดเกิดมาจากไหนเกิดมากี่กับกี่กันเกิดตายมานี้กี่กลับกี่กันพระพุทธเจ้าท่านเห็นหมดนี่แทงทะลุข้างหลังหมดพวกเราแทงไปไหนจะว่ายังไงเกิดมาจากชาติใดพบใด ตกนรกหมกใหม่หรือไปสวรรค์ชั้นพรมที่ไหนมามันก็ไม่รู้สถานที่มาของตัวเองโง่หรือไม่โง่ปัจจุบันนี้จะไปไหนมันก็ไม่ได้แน่หัวใจนะถ้าใจไม่มีหลักเกณฑ์ด้วยธรรมสัอย่างเดียวเท่านั้นไม่แน่ทั้งนั้นใครก็ใครเถอะยามาคุยยามาอวดธรรมของพระพุทธเจ้าเลย อย่ามะแข่งธ ร, รมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจมใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านกับใจของพวกเราที่เป็นคลังกิเลสนี้ต่างกันอย่างไรบ้างต่างกันอย่างพูดไม่ได้เลยจึงเรียกว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมองดูโลกเห็นหมดทุกอย่างแต่โลกดูธรรม โลกมองไม่เห็นเห็นแต่กิเลสท่านยกตัวอย่างเทียบว่านักโทษในเรือนจำจะมีความรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถนำความรู้นั้นไปเป็นกฎเกณฑ์ปกครองบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นได้มีแต่พวกที่มีความรู้นอกเรือนจำต่งหากที่เป็นผู้ตั้งกฎหมายปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น อันนี้ก็เปรียบได้เช่นกันโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกคือความรู้เหนือโลกนี้ต่างหากที่จะทำโลกให้ร่มเย็นไม่ใช่ความรู้ที่ถูกกิเลสครอบหัวไว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 เมื่อแก่อันนี้ตกเมื่อแก่อันนี้ไม่ตกสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นป่าช้าของสัตว์ทั้งนั้นเลยเกิดตายเกิดตายกองกันทุกข์โมกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยเนี่ยวิชาธรรมจึงเลิศเลยไม่มีใครตามได้แก้ได้คาดได้เรื่องภพเรื่องชาติทำเท่านั้นที่จะแก้ได้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 เรียกว่าทมทางด้านจิตศาสตร์ล้วนๆแล้วรู้ตามไปจนถึงถอนรากถอนโคนมันออกได้หมดไม่เหลือไม่มีเหลือเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถอนท่านเรียนจบแล้วเอาอ น, นันมาสอนโลกที่ควรจะพูดขั้นนั้นท่านก็ลงถึงขั้นนั้นเลยผู้ที่ยังไม่ควรได้ขั้นไหน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 เพราะการสร้างในหัวใจเจ้าของมีกิโลที่ไหนเล่าพอตายแล้วก็ตูมเลยถ้าลงนรกลงจาก็ตูมถ้าไปสวรรค์ทางดีก็ดีผึงเลยกินเลสันหานี่มันพาให้สร้างความชั่วฮิริโอตปะไม่มีในหัวใจนะไม่รู้ตัวนะว่าไปสร้างความชั่วเพราะอันนี้เป็นเหตุให้ทําจับเข้าไป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 คอมพิวเตอร์หลักธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นตลอดมาใครเชื่อไม่เชื่อก็ตาม